เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุอบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นวันพระเป็นวันธรรมัฒนสวัะเป็นวันชำระกายวาจาใจ ให้สะอาดด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติเพื่อให้เกิดศรัทธาให้เกิดวิริยะให้เกิดสติให้เกิดสมาธิและให้เกิดปัญญาอันเป็นเหตุที่จะชำระ ก, กายวาจาใจของเราให้สะอาดหมดจด ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นกิจจวัตรประจำของพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเจดวัน8ดวันหรือหกวันก็จะต้องเข้าวัดหนึ่งครั้งเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาด ถ้าไม่ได้รับการชำระก็จะสะสมความเศร้าหมองต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสกปรกของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปและก็จะสร้างความทุกข์ต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นไปสร้างภพชาติให้มีมากขึ้นไปตามลำดับเพราะการทํากายวาจาใจของเรา ให้เศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหานี้เป็นการปลูกฝังพืชแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้มีออกผลมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายนี่ เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเราก็ต้องมาชำระสิ่งที่เป็นปฏิกูลของใจคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงและการกระทาบาปต่างๆให้เบาบางลงไปและหมดไปในที่สุด <c oughs> สิ่งที่จะชำระสิ่งปฏิกูลต่างๆ ชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดนี้ก็คือศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นของจิตและปัญญาความรู้ทันความโลภความโกรธความหลงนี่คือเครื่องไม้เคอมือ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้แก่พวกเรายังได้กำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีหรือเป็นสถานที่ที่เราจะได้สร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้เจริญเติบโตขึ้นไปตามลาดับถ้าสติสต ถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีพลังมากเพียงไรก็จะสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆคือความโลภความโกรธความหลง ก, ลกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้เบาบางลงไปและหมดไปในที่สุดดังนั้นเราจึงต้องพยายามบำเพ็ญ พยายามเจริญพัฒนาคุณธรรมทั้งห้าประการนี้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ทุกทุกวันพระถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องเพิ่มวันวั น, ว, นวันปฏิบัติวันศึกษาวันเจริญคุณธรรมทั้งห้านี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นนักบวชนี้ก็จะใช้ทุกวัน เจ็วันตลอดไม่มีวันพระวันโกนไม่มีวันธรรมดาทุกวันนี้เป็นวันพระถึงเรียกว่าเป็นพระคนที่จะมาบวชเป็นพระนี้ทุกวันนี้ต้องเป็นวันพระคือจะต้องมีการเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถึงจะ สมกับความเป็นพระเพราะการบวชพระหรือการที่พระพุทธเจ้าทรงบวชพระให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรงบวชเพราะว่าอยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์และทรงสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออก ยกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้นทุกละทุกขณะที่ตื่นนี้จะต้องเจริญคุณธรรมเหล่านี้สตินี้เป็นจุดคุณธรรมที่สำคัญที่สุดเป็นตัวที่จะนาหน้าเป็นแม่ทับเป็นผู้ที่จะทำให้คุณธรรมอื่นๆนี้เกิดขึ้นเช่นการที่จะเกิดศรัทธาได้ เราก็ต้องได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับชีวประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและเกี่ยวกับคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงฆ์สาวกกดีการที่จะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ก็จึงต้องมีสติอยู่กับการฟัง จิตจะต้องระลึกรู้อยู่กับธรรมะที่มาสัมผัสที่หูแล้วก็รับเข้าไปที่ใจถ้าจิตไปคิดเรื่องอื่นไปอยู่ที่อื่นธรรมะที่เข้ามาทางหูก็จะออกไปทางหูคือเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปฟังก็ฟังไม่เข้าใจเพราะไม่มีสติ หายใจไว้รองรับนั่นเองใจก็เป็นเหมือนภาชนะเช่นถ้วยแก้วเวลาที่จะเทน้ำเข้าไปก็จะต้องหัานถ้วยขึ้นมาน้ำถึงจะลงไปในแก้วได้ถ้าคว่มแก้วเอาไว้เทน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงใดก็จะไม่มีน้ำติดอยู่ในแก้วเลย จันใดถ้าใจควาำอยู่คือไปยุ่งกับเรื่องอื่นในขณะที่ฟังธรรมบางท่านอาจจะเตรียมข้าวเตรียมของมากลัวจะไม่ทันก็มวัวแต่คอยเตรียมกับข้าวกับปลาของขค้าของหวานในขณะที่มีการฟังเทศฟังธรรมกันก็เลยไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้รับฟัง สิ่งที่จะทำให้เกิดศรัทธาสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาสิ่งที่จะทำให้เกิดวิรยิยะความอุสาหะภาคเพียนก็จะไม่ได้ก้าวหน้าก็จะอยู่เท่าที่เคยอยู่จะถ้าเนีนถ้าเป็นนักเรียนอยู่ปหนึ่งก็จะอยู่แต่ชั้นปหนึ่งไปเรื่อยๆจะไม่ได้ขึ้นปอสองปอสามไปตามลำดับเพราะเวลาเรียนหนังสือ ใจก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนใจไปอยู่ที่สนามเล่นใจไปอยู่ที่ห้องอาหารมัวแต่ไปคิดถึงกิจกรรมอื่นๆเวลาครูอาจารย์สอนหนังสือก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจเวลาสอบก็สอบไม่ผ่านก็ต้องอยู่จําชั้นไปเรื่อยๆผู้ที่เวลาที่มีการ แสดงพระธรรมเทศนาแต่ไม่สนใจฟังกลับไปทํากิจอย่างอื่นเช่นเตรียมข้าวเตรียมของหรือสนทนากับคนที่อยู่ใกล้กันหรือคอยเลี้ยงลูกคอยดูลูกเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ควรจะทําในขณะที่มีการแสดงธรรมกันสิ่งที่ควรจะทําก็คือ ควรจะสำรวมกายวาจาใจให้สงบกายก็ให้นั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่ให้แสดงไม่ให้พูดใจก็ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับการฟังด้วยด้วยความจดจอ่อถ้าฟังแบบนี้แล้วก็จะได้รับประโยชน์จะทำให้มีศรัทธา ที่จะอยากจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับจากการปฏิบัตินั้นแล้วนำมาสั่งสอนพวกเราานั้นเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือเรื่องของศรัทธา ถ้าเราฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอริยสงฆ์เห็นผลที่ท่านได้รับแล้วเราก็จะมีจิตศรัทธามีความเชื่อจะไม่สงสัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้า ส, สอนนี้มีจริงหรือไม่จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ จะไม่สงสัยว่าพระอริยสงสารกมีจริงหรือไม่เมื่อไม่สงสัยแล้วก็จะเกิดศรัทธาความเชื่ออยากที่จะปฏิบัติตา่างเหมือนกับเราดูโฆษณาสินค้าถ้าเราไม่ดูโฆษณาสินค้าต่างๆเราก็ไม่รู้ว่ามีสินค้าเหล่านี้อยู่ในท้องตลาดแต่พอเราได้เห็นโฆษณา เราก็จะได้รู้ว่า อ, อมีสิ่งอย่างนี้ขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วเมื่อเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะสามารถไปซื้อมาได้ฉันใดถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ จะไม่รู้ว่าเรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็จะไม่สนใจกับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้เราจะเรียกตัวเราเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชน แต่เราก็เป็นเพียงพุทธศาสนิกชนในทะเบียนบ้านเท่านั้นเองแต่ในใจของเรานี้ไม่มีพุทธศาสนิกชนอยู่ในใจเลยเพราะไม่มีความศรัทธาที่แท้จริงคือศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกระดับไม่ใช่เลือกทำแต่ระดับได้ระดับหนึ่งที่มักจะเป็น ส่วนมากกับพุทธศาสนิกชนคือจะชอบทำบุญให้ทานกันเท่านั้นแต่จะไม่ชอบรักษาศีลจะไม่ชอบนั่งสมาธิจะไม่ชอบเจริญปัญญาจะไม่ชอบปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิปรีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดยังชอบความลื่นเริงบันเทิงยังชอบการแสวงหา ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นพุทธศาสนิ์กชนที่แท้จริงเหมือนกับนักเรียนที่เลือกวิชาเรียนวิชาที่ไม่ชอบเรียนก็ไม่เรียนอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเรียนให้จบได้เพราะไม่ได้เรียนครบตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนได้กำหนดเอาไว้ฉันใด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอสอนให้ครบถ่วนบริบูรณ์ก็จะไม่ได้รับอนิสสมอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันนะก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆต่อไปและจะไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าที่จะทําตนเองให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์คือต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาที่เป็นบันไดที่จะพาให้ก้าวขึ้นสู่มรรคผลนิพพานก้าวขึ้นสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้น เราจึงต้องปลูกฝังศรัทธาด้วยการฟังธรรมด้วยสติด้วยสมาธิคือสงบใจและด้วยศีลคือการสงบทางกายและทางวาจาขณะนี้พวกเรามีศีลแล้วเพราะพวกเรานั่งอยู่ในความสงบร่างกายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักษา ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีวาจาก็สงบไม่ได้พูดปลดมดเท็โกหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุรายามล่าส่วนใจนี้จะมีสมาธิหรือไม่ก็อยู่ที่พวกเราต้องสังเกตดูเอาคนอื่นนี้มองไม่เห็นเพราะใจเป็นนามธรรมาไม่สามารถมองเห็นได้ไ ด, ได้ด้วยรูปได้ด้วยตาเนื้อ แต่จะเห็นได้จากการากระทำทางร่างกายถ้าร่างกายนั่งไม่นิ่งนีแสดงว่าใจไม่นิ่งแล้วถ้าใจนิ่งแล้วร่างกายจะต้องนิ่งแต่ร่างกายนิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าใจจะนิ่งร่างกายอาจจะนิ่งแต่ใจอาจจะคิดเรื่องราวต่างๆก็ได้ไม่ได้ฟังทำอย่างเดียวฟังแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่างนี้ก็ยังไม่มีสมาธิเมื่อฟังแบบใจที่ไม่มีสมาธิก็จะไม่เกิดปัญญาจะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องจะไม่สามารถขจัดความสงสัยต่างๆไปได้เช่นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริง การเวียนไหวาตายเกิดมีจริงสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะเป็นที่ลังเลสงสัยอยู่ภายในใจแต่ถ้าฟังอย่างต่อเนื่องด้วยจิตที่มีสมาธิมีความสงบก็จะเข้าใจจะเห็นตามเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เช่นทรงแยกให้เราเห็นชัดชัดเลยว่าชีวิตของพวกเรานี้มีสองส่วนด้วยกัน มีร่างกายและมีใจร่างกายเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อได้แต่ใจนี้เราต้องมองเห็นด้วยตาในคือเราต้องมองเห็นด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วท่านก็ทรสงสแสดงว่าผู้ที่ไปเกิดผู้ที่ไปรับผลบุณผลบาปก็คือใจส่วนกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบา กายนี้หลังจากที่ยุติบทบาทของตนแล้วก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปแต่ผู้ที่ไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานไปรับผลบุญผลบาทนี้คือใจที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาปล่าแต่เราจะเห็นถ้าเรามีสมาธิมีสติ มีปัญญานี่คือดวงตาที่จะเห็นธรรมต้องเห็นด้วยสติสมาธิและปัญญาจะถึงจะเห็นใจรู้ว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายรู้ว่าใจนี้เป็นนรกหรือเป็นสวรรค์รู้ว่าใจนี้เป็นเทพหรือเป็นเดรัจฉานเป็นพรหมหรือเป็นเปรตเป็นพระหรือเป็นสัตว์นรก อยู่ที่ใจนี้เท่านั้นผู้ที่จะเห็นได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิและปัญญาถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นสิ่งเดียวกันถ้าร่างกายตายไปใจก็จะต้องตายไปกับร่างกาย เมื่อเป็นดังนั้นแล้วผลอะไรจะตามมาได้อย่างไรทําบาป ก, ก็ไม่มีผลตามมาทําบุญก็ไม่มีผลตามมาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะทําให้หลงระเริงอยู่กับการทําบาปจะไม่มีฮริโอตตปะคือความอายและความกลัวบาปเพราะมีความเห็นว่าตายไปแล้วศูนนั่นเองไม่มีผลอะไรตามมา ดังนั้นทำบายังมากก็จะรับผลแค่ในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าชราก็จะสามารถป้องกันผลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างเช่นคนโกงนี้ที่มีอิทธิพลมีเงินมีทองเขาไม่กลัวเรื่องการทำผิดกฎหมายเรื่องการทำบาปเพราะเขามีเงินอุดได้อุดปากผู้ที่จะมาจับเขาไปลงโทษได้ มัดไม้มัดมือของผู้ที่จะจับเขาไปกักขังได้เพราะเขาฉลาดแต่ฉลาดของฉลาดทาง โ, กโลกฉลาดทางกิเลสฉลาดในทางสร้างนรกให้กับตนเองฉลาดกับการสร้างภพชาติให้กับตนเองเพราะมีมิจฉาทิฏฐินั่นเองมีมิจฉามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด เป็นชอบที่เห็นว่าตายแล้วสูงตายแล้วไม่ต้องไปเกิดใหม่ตายแล้วไม่ต้องไปใช้กรรมต่อไปจึงพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของตนไม่สนใจกับการที่จะรักษาศีลไม่สนใจกับการจะทำบุญให้ทานสนใจอย่างเดียวคือการทำตามกิเลสตัณหา แล้วก็แก้ปัญหาด้วยการใช้อิทธิพลใช้อำนาจและใช้เงินทองมายัำยังผลเสียที่เกิดจากการกระทำของตนแต่ก็ทำได้เพียงขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแต่หลังจากที่ตายไปแล้วนี้ไม่มีใครจะไปยัำยัง กรได้กรรมนี้เป็นเหมือนกับกระสุนที่ออกจากลังปืนไปแล้วออกจากกระบอกปืนไปแล้วไม่มีใครไปหยุดกระสุนนั้นได้กระสุนนั้นมันก็จะไปตามจามเป้าที่ถูกเรีงเอาไว้ถ้าทําบาปเอาไว้มันก็จะไปสู่อบายทันทีถ้าทําบุญ มันก็จะไปสวรรค์ทันทีไปมากผลนิพพานทันทีเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมนี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจนี้เมื่อถึงเวลาที่จะแยกออกจากร่างกายแล้วก็เป็นเหมือนปืนที่ได้ถูกเหนี่ยวเหนียวไกลแล้วกระสุนก็จะวิ่งออกไปทันทีไปตามทาง ที่ตันเป้าเอาไว้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเราก็สามารถเห็นได้จากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนี่แหละทำไมพวกเราจึงไม่เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีร่างกายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันแต่ทำไมมีสูงมีต่ำมีความไม่เท่ากัน ก็นี่แหละเป็นผลจากการทำบุญทำบาปมาในอดีตชาตินั้นไม่เท่ากันทำไมวันนี้เป็นวันพระจึงไม่เข้าวัดกันทุกคนทำไมเข้าเพียงบางคนบางคนไม่เข้าวัดบางคนไปเข้าบาไปเข้าผับบางคนไปเข้าบ่อนก็เพราะว่าการกระทาที่ได้ทำมาใน อดีตนั้นมีความแตกต่างกันนั่นเองคนที่ชอบเข้าบ่อนเข้าบาเข้าผับเขาก็จะไปตามสถานที่เหล่านั้นคนที่ชอบเข้าวัดเขาก็จะมาวัดเพราะในอดีตเขาเคยทําอย่างนี้มาจนติดเป็นนิสัยเหมือนคนที่ถนัดมือซ้ายกับถนัดมือขวาทําไมถึงถนัดไม่เหมือนกัน ทำไมคนหนึ่งถนัดมือขวาทำไมคนหนึ่งถนัดมือซ้ายก็เพราะว่าในอดีตเราเคยใช้มือไหนมามันก็จะติดเป็นนิสัยมาบางคนถ้าถนัดทั้งสองมือก็เป็นเพราะว่าเขาเคยใช้ทั้งสองมือเช่นเขาเคยถนัดมือขวาแต่มือขวาอาจจะขาดไปเสียไปใช้มือขวาไม่ได้เขาก็ต้องใช้มือซ้าย เ, เขาก็ใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆเขาก็เลยถนัดมือซ้ายด้วยเวลามาเกิดใหม่ก็ใช้ได้ทั้งสองมือใช้ได้ทั้งมือซ้ายและใช้ได้ทั้งมือขวานี่คือกรรมคือการกระทำการกระทำนี้เมื่อเราทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นนิสัยเป็นความเคยชินแล้วมันก็จะทําให้เราทําอย่างนั้นต่อไป สิ่ง ต, งต่างๆที่เราทําที่ไม่มีใครสอนเราทําไมเราถึงทําอย่างนั้นกันทําไมเราจึงชอบสีแดงไม่ชอบสีด so nice ําทําไมเราจึงชอบสีขาวไม่ชอบสีเขียวทําไมเราชอบกินขนมอย่างนี้ไม่ชอบกินขนมอย่างนั้นทําไมชอบคนรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่ชอบคนรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทําไมชอบอยู่กับสถานที่อย่างนี้ไม่ชอบอยู่กับสถานที่อย่างนั้น เพราะว่าเคยทําสิ่งเหล่านี้มาในอดีตนั่นเองทำไมคนเราจึงบางคนจึงเกิดมาแล้วบวชได้ทำไมคนบางคนเกิดมาแล้วบวชไม่ได้หรือบางคนบวชได้แต่บวชได้ไม่นานบวชได้ไม่กี่เดือนไม่กี่วันก็ต้องสิกขาลาเพศออกไปแต่บางคนก็บวชไปได้ตลอดชีวิตบวชมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าขึ้นอยู่ที่นิสัยของเขาว่า มีมีมากมีน้อยนั่นเองถ้ามนนีนิสัยมาทางการบวชมากก็จะอยู่ได้นานถ้ามีนิสัยมาทางบวชได้น้อยก็จะอยู่ได้ไม่นานเช่นเดียวกับการกระทาต่างๆนี้บางคนมาวัดได้บางครั้งบางเวลาแล้วก็หายไปเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้มาด้วยนิสัยแต่มาด้วยเหตุบังคับ เช่นไปหาหมอดูหมอบอกว่าไม่ทําบุญแล้วจะชีวิตจะตกต่าต้องทําบุญตามหมอสั่งพอตาทําครบตามที่หมอสั่งแล้วก็หายไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ทําตามนิสัยทําด้วยเหตุบังคับให้ทําหรือบางทีคนที่บ้านตายก็ต้องไปทําบุญที่วัดกันหรือวันเกิดหรือวันสําคัญทางศาสนา ถึงจะเข้าวัดไปทำบุญกันอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าทำด้วยนิยนสัยถ้านิสัยแล้วนี้จะไม่มีวันอะไรสำคัญคือเมื่อถึงเวลามีเวลาว่างก็อยากจะเข้าวัดเข้าด้วยความอยากเข้าด้วยความพอใจเข้าด้วยความชอบเพราะเวลาได้ทำแล้วมีความสุขนั่นเอง พวกเรานี้เวลาทำอะไรนี้เราก็ทำเพราะทำแล้วทำให้เราเกิดมีความสุขเราไม่ชอบทำอะไรที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นคนที่ไม่เคยมีความสุขกับการทำบุญก็จะไม่ชอบทำบุญถ้าชอบถ้ามีความสุขกับการดื่มสุราก็จะชอบดื่มสุราถ้ามีความสุขกับการเล่นการพนันก็จะเล่นการพนันเป็นอย่างนี้ แต่เราสามารถเปลี่ยนนิสัยของเราได้ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเรารู้ว่าเรายังชอบทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนทิสัยได้เช่นถ้าเราชอบดื่มโซราเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากการดื่มโซดามาดื่มน้ําเปล่าแทน ทุกครั้งเวลาอยากจะดื่มสุราก็ดื่มน้ำเปล่าไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ชอบดื่มสุราเราก็จะชอบดื่มน้ำเปล่าถ้าเราชอบไปเที่ยวเราก็มาเปลี่ยนนิสัยเราอยู่บ้านหรือไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินนี้มาทำบุญมาปฏิบัติธรรมตอนทำใหม่ๆก็ต้องเป็นความ ทุกเป็นธรรมดาเพราะเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่ชอบทำนั่นเองแต่ถ้าเราทำไปบ่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะชอบขึ้นมาเองเหมือนกับอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนเมื่อตอนเวลาที่เราต้องกินเนื่องจากเราไปอยู่ในประเทศที่เขากินอาหารแบบนี้เราก็ต้องกินกับเขาไปถ้าเรากินไปบ่อยๆเข้าอีกหน่อยเราก็จะชอบอาหารนี้เอง เวลาเราออกจากประเทศนั้นกลับมาอยู่ประเทศเราเรายังต้องไปหาอาหารอย่างนั้นมารับประทานเพราะมันเราเกิดความชอบขึ้นมาแล้วตอนต้นเราไม่ชอบแต่เราก็สามารถทําให้เราชอบได้ด้วยการรับประทานมันบ่อยๆเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้ชอบขึ้นมาได้ ขอให้เราใช้เหตุผลว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทงสอนให้เราปฏิบัติให้เราทำนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงและจะทำให้เราไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราถ้าเราเชื่อด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นเริ่มต้นด้วยการมาวัดทุกวันพระ มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตอนต้นก็ทำไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่พอทำไปแล้วเริ่มเห็นผลคือมีความสุขใจขึ้นมาก็อยากจะทำมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็อาจจะออกบวชได้แล้วก็จะได้บรรลุมักผลนิพพานไปได้ในที่สุด แต่เราต้องฝืนใจเราเองเพราะใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้ถูกปลูกฝังให้มาในทางนี้กันเท่าไหร่มีบ้างแต่อาจจะไม่มากพอถ้าไม่มีเลยพวกเราคงจะไม่ได้มาอยู่ในสถานที่หลังนี้กันตรงนี้กันเราก็พระก็จะไม่มีญาติโยมก็จะไม่มีมาทำบุญแต่เนื่องจากว่าญาติโยมในอนดีตชาติเคยได้รับการปลูกฝัง กับการทำบุญให้ทานกับการรักษาศีลกับการเข้าวัดเข้าหาศาสนาพระก็เคยบวชมาในอดีตชาติพอมาเกิดชาตินี้ก็มาบวชต่อญาตโยมก็มาเข้าวัดต่อกันเพราะนี่เป็นผลของบุญที่เราได้ทำกันในอดีตนั่นเองถ้าไม่มีถ้าบุญในอดีตที่เราทำไม่มีผล พวกเราจะเป็นอย่างนี้กันได้อย่างไรพวกเราก็ต้องเป็นเหมือนคนอื่นที่เขาไม่เข้าวัดกันก็จะทํองชอบเหมือนกันหมดทำอะไรเหมือนกันหมดแต่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะในแต่ละภพในแต่ละชาตินี้เราทำสิ่งต่างๆมาไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นเราจึงมาทาในสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันต่อในชาตินี้แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะทำสิ่งไหนเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็จะทำไปตามที่เราชอบถึงแม้ว่าเราจะทุกข์ทรมานใจเราก็เลิกไม่ได้อย่างคนที่ชอบดื่มสุราก็จะดื่มไปจนตายเลยเดื่มไปจะกระทั่งเป็นโรคพิษโุราดื่มไปจะกระทั่งเป็นโรคตับโรคไตแล้วก็ตายไป เขาก็จะไม่เลิกเพราะเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขานี้ผลที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการกระทาของเขานีเองแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษพอ ร, รู้แล้วเราก็จะได้มาแยกแยะได้ดูว่าการกระทาของเราส่วนไหนเป็นส่วนที่ดีเราก็เสริมทาเพิ่มไปให้มากขึ้น ส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็พยายามลดละตัดให้มันน้อยลงไปและให้มันหมดไปในที่สุดแล้วในที่สุดเราก็จะได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้ากับพระสงสาวกก็เป็นเหมือนพวกเราเมื่อก่อนท่านก็เคยทําดีมีท่านเคยทําทั้งดีและทําทั้งไม่ดีทําทั้งบาปทําทั้งบุญ แต่หลังจากที่ท่านได้วิเคราะห์ได้แยกแยะแล้วหรือได้เรียนได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็มาปรับปรุงชีวิตของตนใหม่ปรับปรุงในสิ่งที่ดีให้มีมากขึ้นปรับปรุงในสิ่งที่มีดีไม่ดีให้มีน้อยลงไปจนหมดไปท่านจึงกลายเป็นพระขึ้นมากลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมากลายเป็นสระณนะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกขึ้นมา ซึ่งพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วต่อไปในอนาคตจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดใหม่จะไม่มีพระอริยสงสาวมกมาเป็นที่เพิ่งให้แก่สันนิใหม่แต่เนื่องจากว่ายังมีผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยสงสาวกดังนั้นในอนาคตก็ยังจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาสั่งสอนโลก มีพระอริยสงสารกมาเป็นพระสาวกของพระพระเจ้าแต่ละพระองค์ไปไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมนั่นเองทำสิ่งใดไว้ก็จะมีผลนั้นตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปสนใจกับคำสอนของคนอื่นไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาสินแส ไม่ต้องไปหาพงจุย้ยมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละแล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่พุ่งขึ้นไปอย่างเดียวจะไม่มีวันตกต่ำอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาปฏิบัติมาทำกิจของตนให้สมบูรณ์เพื่อจะได้เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์นี้ให้ท่านแนะนำเอาไป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 โดยทั่วหน้ากันเธอ